ปติญญาตกรณะอาปัตตาทิกรระงับด้วยสมถะสามอย่างอาปัตตาทิกรระงับด้วยสมถะเท่าไหร่อาปัตตาทิกรระงับด้วยสมถะสามอย่างคือ 1. สมุขาวินัย 2. ปติญญาตกระณะ 3. ตินวัฏฐารกะ บางทีอาปตตาธิกรไม่อาศัยสมถะอย่างหนึ่งคือตินวัฏฐาระกัดพึงระงับด้วยสมถะสองอย่างคือหนึ่งสมุขาวิาิันสองปติญญาตกรณะบางทีพึงตกลงกันได้สมจริงดังที่ตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินนันนี้ต้องละหูกาบัดแล้ว เธอพึงเข้าไปหาภิกษุรูปหนึ่งห่มอุตราสงเฉวียงบ่าข้างหนึ่งกราบเท้าภิกษุผู้แก่พรรษาทั้งหลายนั่งกระโยงประนมมือแล้วกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผมต้องอาบัติชื่อนี้ผมแสดงคืนอาบัตินั้นภิกษุผู้รับนั้นพึงกล่าวว่าท่านเห็นหรือ ภิกษุผู้แสดงนั้นพึงกล่าวว่าขอรับผมเห็นภิกษุผู้รับนั้นพึงกล่าวว่าท่านพึงสารวมต่อไปภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าอาทิกรระงับแล้วระงับด้วยอะไรด้วยสัมมุขาวิันกับปฏิญญาตกอรณะในสั ม, มุขาวินัยนั้นมีอะไรบ้าง มีความพร้อมหน้าธรรมมีความพร้อมหน้าวินัยความพร้อมหน้าบุคคลอันหนึ่งความพร้อมหน้าบุคคลในสัมุขาวินัยนั้นอย่างไรคือผู้แสดงกับผู้รับแสดงทั้งสองอยู่พร้อมหน้ากันนี้ชื่อว่าความพร้อมหน้าบุคคลในสำมุขาวินัยนั้น ในปฏิญญาตกรณะนั้นมีอะไรบ้างมีกิริยาความกระทำความเข้าไปความเข้าไปเฉพาะความรับรองความไม่คัดค้านกรรมคือปฏิญญาตกรณะอันใดนี้มีในปฏิญญาตกรณะนั้นภิกษุทั้งหลายถ้าอาธิกรระงับแล้วอย่างนี้ ผู้รับหรือฟื้นต้องอาบัติปาจิตติที่รื้อฟื้นถ้าได้การแสดงนั้นอย่างนี้นั่นเป็นความดีหากไม่ได้ภิกษุนั้นพึงเข้าไปหาภิกษุมากรูปด้วยกันหอมอุตตราสงเฉวียงบ่าข้างหนึ่งกราบเท้าภิกษุผู้แก่พรรษาทั้งหลายนั่งประโยงประนมมือแล้วกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญ ข้าพเจ้าต้องอาบัตชื่อนี้ข้าพเจ้าแสดงคืนอาบัตนั้นพิกษุผู้ฉลาดสามารถพึงประกาศให้พิกษุพวกนั้นทราบด้วยยติว่าขอท่านทั้งหลายจงฟังข้าพเจ้าพิกษุชื่อนี้รูปนี้ระลึกเปิดเผยทำให้ตื้นแสดงอาบัตถ้าท่านทั้งหลายพร้อมกันแล้ว ถ้าพเจ้าขอรับอาบัติของภิกษุชื่อนี้แล้วพึงกล่าวว่าท่านเห็นหรือภิกษุผู้แสดงพึงกล่าวว่าขอรับผมเห็นภิกษุผู้รับพึงกล่าวว่าท่านพึงสํารวมต่อไปภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าอาทิกรระงับแล้วระงับด้วยอะไรด้วยสามุขาวิไน กับปติญญาตะการณะในสามมุขาวินัยนั้นมีอะไรบ้างมีความพร้อมหน้ารำรความพร้อมหน้าวินยัยความพร้อมหน้าบุคคลอันหนึ่งความพร้อมหน้าบุคคลในสัมมุขาวินัยนั้นอย่างไรคือผู้แสดงกับผู้รับแสดงทั้งสองอยู่พร้อมหน้ากันนี้ชื่อว่า ความพร้อมหน้าบุคคลในสั ม, มุขาวินัยนั้นในปฏิญญาตการะณะนั้นมีอะไรบ้างมีกิริยาความกระทาความเข้าไปความเข้าไปเฉพาะความรับรองความไม่คัดค้านกรรมหรือปฏิญญาตการณะอันใดนี้มีในปฏิญญาตการะณะนั้นพิกษุทั้งหลาย ถ้าอาธิกรณ์ระงับแล้วอย่างนี้ผู้รับหรือฝื้นต้องอาบัติปาจิตติที่หรือฝื้นถ้าได้การแสดงนั้นอย่างนี้นั่นเป็นความดีหากไม่ได้ภิกษุนั้นพึงเข้าไปหาสงฆ์ห่มอุตราสงฆ์เฉวงบาข้างหนึ่งกราบเท้าภิกษุผู้แก่พันสาทั้งหลายนั่งกระโยงประนมมือแล้วกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญ ผมต้องอาบัตชื่อนี้ผมแสดงคืนอาบัตนั้นภิกษุผู้ฉลาดสามารถพึงประกาศให้สงทราบด้วยยติกรรมว่าท่านผู้เจริญขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้าภิกษุชื่อนี้รูปนี้ระลึกเปิดเผยทำให้ตื้นแสดงอาบัตถ้าสงฆ์พร้อมกันแล้ว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 ด้วยสั ม, มุขขาวิไนกับปติญญาตะกัระณะในสัมมุขาวิไนนั้นมีอะไรบ้างมีความพร้อมหน้าสงความพร้อมหน้าธรรมความพร้อมหน้าวินันความพร้อมหน้าบุคคลภิกษุทั้งหลายถ้าอธิกรระงับแล้วอย่างนี้ผู้รับหรือฝืนต้องอาบัตปาจิตติที่หรือฝืน ผู้ให้ฉันทะติเตียนต้องอาบัตปาจิตตีที่ติเตียน